Book 2ูสี่สิบเอ i ด r i e n ท a v i m a s i s สี่ไหนอเาำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะครอุเียชูตบ คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะอร์ตูดิตามันมียสตุบหลานะจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะอัชกาล s มสกิติเวชบุติเมืองเก่าอยู่ที่ไหนกุริรสนามิสตัสวิหารอยู่ที่ไหนกุริรคาตระ พิพิธภัณฑ์อยู ai, s? <S s m, ่ที <S s to, ่ไหนค u เรียมูเซียยูซื้อสแตมได้ที่ไหนค u ร์กาลมนุษย์สเปิร์กต์ป้าชตูเจซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนคูร์กาลมนุษย์สเปิ t ์กต์เกลูซื้อตั๋วได้ที่ไหนค u ร์กาลมนุษย์สเปิร์กตอตรอเุ ท่าเรืออยู่ที่ไหนคุริเรวาสตตสตลาดอยู่ที่ไหนคุรีรตูร์กุสปราสาทอยู่ที่ไหนคุรีเรปิลลสการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ คดเบย์เกส์คูร์เซียมการพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่เคียครุ่งเกส์คูร์เซียมดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันโน r e c ชอ์เ s สคูร์ o ซอส์วอดอว์คูริสคาลบอว์โวคิชเกมดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียน n o r รเชอส์คูร์เซ o ส์ฟดโวว์คูเร i คัลบะอ a ตาลี š เก้ดิฉันต้องการม s คุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสน r เรเชอส์คูร์เซอส์ฟดโวว์ค r เรสคัลบ